พูดเป็นหกก็ตาหูจมูกเรื่องกายกัพูดเป็นเจ็ดก็สัตวาเจ็ดพูดเป็นแปดก็แั้งค์ที่กรรมฆ่าแปดพูดเป็นเก้าก็มรสีคนสี่นิานหนึ่ง พ, พูดเป็นสิบก็กุศลกัมมวัสิบอกคุศลกัมมวัฏสิบพูดเป็นสิบเอ็ดก็เอกาทัศนิกรรมนบาตย่อนลงมาเป็นหนึ่งซักก็เอกจิตเอกาธรรมในปัจจุบันเลย เชือกเส้นเดียวขึงไปยาวเหยียดทั่วโลกโค้งลงมาก็มาโค้งยัดเยียดเต็มโลกเหมือนกันโค้งลงมาเป็นหนึ่งย่นลงมาเป็นหนึ่งก็ยัดเยียดเต็มโลกเต็มจักรวาลเหมือนกันขึงออกไปก็เต็มโลกเต็มจักรวาลเหมือนกันอกไปก็เต็โลกเต็มจักวาลเหมือนกันก็เส้นเชือกเ้นเดียวคือถึงออกไปสักใจย่นก็ย่นลงมาหาใจสิ้นห้าย่นลงมาเป็นสิ้นใจซก็เป็นเชีอกห้าเตียวอยู่ที่ใจสิ้นแปดก็ย่นลงมาเป็นเชือกแปดเตียวซะทําให้ร่วงละเมิดก็เป็นสิ้นแปดอยู่ที่ใจ ชิช้นสอง่ายยี่ิเอ็ดก็เหมือนกันไตรชีขาก็เหมือนกันเซียสมาธิปัญญาก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ส ง, งสงสงยนุนเจตุกรรมยะตายานปรีชาคำหนึง่งด้วยความ อลากกรพุนไปเสียพ้นจากความหลงของตนหายใจเข้าข้างหนึ่งครบไตรสิกขาแล้วครบไตรสิกขาแล้วก็ครบไตรรักอีกเหมือนกันเกิดขึ้นแปร่พลันได้แตกสลายเหมือนกันครบไตรซิกขาครบศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วเท่านั้ น, จ, นจริงๆอยู่อย่างนั้นเช่นพระพาหิยะ พระบรมศาสตรสดาเทพคำเดียวเท่านั้นเป็นแะสักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเออครับพอแล้วทําไมยังเป็นอย่างล้ะเพราะพราะบารมีแก่กล้ามาแล้วแต่ข้างพระเจ้ากฐปะดอกบัว ก, กําลังตูมกาลังจะบาลออกรับรัศมีรักบาลออกเลยไม่ใช่ดอกบวัวใต้น้าไม่ใช่ดอกบวัวสมุนไพรเป็นแะสักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเออครับพอแล้ว เอาปฏิสัมพิทาสี่ไปกินแล้วแต่ฌานเปฏิสัมพิทาสี่เป็นสักว่ารู้เป็นสักว่าเห็นหมายความว่าอย่างไรพระไม่ให้ยึดถือยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเราเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นสั์เป็นบุคคลเป็นแต่สักว่าเป็นแต่สักว่ารู้จบเพียงนั้นไม่ต่อไปในทางโลกโกรธหลงเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแสักว่าเห็นไม่ต่อไปในทางโลกทางโกรธทางหลงเลยพอแล้วครับเลยสําเร็จพระรหันปฏิสัมพิทาสี่แต่พวกเรา มันบาลมียังไม่แข่กค่าบางท่านเขาเดินโยกลมจนเท่าเตบก็ไม่สาเร็จพระหรันแต่ว่าเราไม่มีสติเดินไปจนเท่าแตกก็หาว่าเราขยันมันก็ไม่ถูกถูกไบางท่านอดอาหาร เวันจริงสันได้ไปกินนมเอออดอาหารกินนมมันก็ไม่ถูกเราก็พูดอย่างนี้นมเขาก็จัดก็เป็นอาหารนี่ยถ้าเราปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหาไม่มากถ้าเราปฏิบัติเพื่อปัจใจสีส่จีวิบินเสบาส่าเสณาระเพื่ออยากโด่งอยากดังปัญหามันก็มาก ปฏิบัติเพื่อนทุกปัญหาไม่มากทําไมจึงปัญหาไม่มากเพราะเขาเห็นใจโลกธาตุเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยไตยรักแล้วก็เลยไม่ปรารถนาในใจโลกธาตุถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นนรกสิเขาเห็นแล้วเขาเห็นความเกิดขึ้นแปรปวนได้ดับไปเขาก็เห็นนรกแล้วเพราะนรกอยู่ใต้อํานาจความเกิดขึ้นแปรปวนได้ดับไปสวรรค์ก็เหมือนกันใจโลกธาตุก็เหมือนกัน เหตุนั้นจิตใจจึงยินดีในพระนิพลเสี่งเดียวเมื่อจิตใจ ย, ยินดีในพระนิพลเสียงเดียวแล้วปัญหาก็ไม่มากที่มันอยากจะแข่งดีอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยปัญหามันก็มากไม่ใช่แข่งดีเอากิเลสมาแข่งกันทําไมจึงอยากจะแข่งดีในวัฏฏะสงสารเพราะเข้าใจว่าสุขมันมีในวัฏฏะสงสาร สุขในวัฏจักสงสารก็สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่กายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี่จเป็นศีลสุขเกิดแต่ทํางานที่ฝ่าทุจากโทษนี่สุขในขณะถึงอย่างนั้นก็จะได้อํานาจอนิจจังเกิดขึ้นแด้ก็แปลว่าแน่แต่สลายบางสัตว์สุขในพระพุทธสูงสุขถึงพระสวัสดาบาลสุขถึงสักขาคารมสุขถึงพระอนาคาเมสุขถึงพระอรหันต์สุขก้าวหน้าสุขไม่ฝ่ายหลังจะมาเป็นทุกข์เลย ทุก้าวหน้าเหมือนดังพระจันทร์ในวันเทนในวันข้างขึ้นพระฮาวันเก็ดแต่ไม่กลับมาแร็มอีกสุขนะพระพุทธศาสนาแต่กว่านั้นไม่ใช่สุขสิ่งใดแม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนที่กรอบกรอกรวงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเขาไม่เป็นปัญหาปฏิวัติเมอคนทุกข์ไม่ยากไม่มีปัญหามา ที่มีปัญหามากก็ถ้ามันมีกิเลสเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่นี่ถามได้ยินจากเขาถามพวกภาคอีสานมีไหมอยู่นี่พวกกรุงเทพมีไหมใช้มือขึ้นยกมือขึ้นกรุงเทพมีไหมฟังออกไหมพืพ้นภาคอีสานฮะออกไหมออกบ้างนะไหนนี่ท่านท่านเขาเบอก พุทธพัดเถาเนี่ว่าในบ้านไหนมึงว่าไผ่เก้งว่าสในตำบนไ่นว่าสั่งคนนั่นนึ่งคนนี้นึ่งคนนั่นนึ่งคนนี้นึ่งว่ะสั่งบะมนวะ่บมน่ส่มนเสบัดไผ่สั่ว่าสั่กากูพู้นนึงพอยสีพู้นึงเนี่ย่ะส่นี่ันเทาประพฤติบมีกูพื้นึงพอยสีพ้นึงเข้ากับปฏิบัติไเลยันเทาวากูพู้นนึงพอยสีพื้นนึงกัปฏิบัติญาติเ่ะ แม่บอกที่ท่างปวงเป็นห่วงบุตรธิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอ บ, รบรธรรมเพราะวเรามาศาสดาเป็นห่วงพระราหุลเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกเอ้าแะนี่บุตรบวชให้ลูกของเราซักนี่แหละเมรดกนี่แหละทรัพย์ ต้าได้บุดบวนแล้วไม่ไม่นานเท่าใดท่านก็สําเร็จผลาญทีนี่เดี๋ยวผู้นั่งเหนก็จะรีบด้านใครก็เหมือนกันชั้นทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียนหมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้มืมังสามันติทองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบริบรูลแล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งเดวิสัย วิทยาความเพียรในกรรมฐานศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยาความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติในทุกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันนั่นเอง เมื่อเห็นปัจจุบันชัดแล้วอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยในชั้นไหนๆก็เหมือนกันเมื่อเห็นความตายชัดในปัจจุบันความตายในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นธาตุดินน้ำไฟลมชัดในปัจจุบันธาตุดินน้ำไฟลมในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นความเกิดดับชัดในปัจจุบันความเกิดดับในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีขั้นผู้ใดจะข้ามทะเลหลงไป เอาปัจจุบันเป็นตัวประกันมีทั้งหนังมีทั้งเขาด้วยอดีตล่วงไปแล้วมีแต่บัญชีอนาคตยังไม่มาถึงมีแต่บัญชีปัจจุบันมีทั้งบัญชีมีทั้งตัวเงินด้วยเอาปัจจุบันเป็นพยาธ ป, ปันนจจุบันนันชายโทมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนเงี้ยนครแคลนเลยผู้นั้นจะไม่สงสัยพระพุทธศาสนาด้วยผู้นั้นก็จะไม่กล่าวตู่เพราะผู้เทศาทนาด้วย ผู้ใดไม่เชื่อทำในปัจจุบันผู้นั่นพระพุทธเจ้าจะมีกี่ระลานพระองค์มาก็ไม่เชื่ออีกหมวงกังหมวงกังเป็นภาษาจีนจีงพูดภาษาไทยหมวงกังถูัวะศีลก็ตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันศีลชั้นต่ำชั้นสูงชั้นกลางก็ต้องอาศัยปัจจุบันเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งนั้น เอว่างเอาละทีนี้บฤติกรรมไม่พอมันก็ไม่ลงเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเลยทำชั้นต่ำชั้นสูงก็เอาปัจจุบันเป็นตัวประกันเลยผู้รูก็เอาผูรู้ในปัจจุบันอันนี้จังก็เอาอันนี้จังในปัจจุบันทุ ก, ก็เอาทุกในปัจจุบันสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็คือปัจจุบันเขาบอกว่า ดิฉันภาวนาจิตไม่ว่างเพระเาะจะฆ่าลูกผู้ลูกปู่จะทํำยังไงถ้าทํากันว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่าถ้าไม่สําคัญจิตว่าเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ว่างอยู่นะ้าที่นั่นเองไม่ต้องทํากิริยาให้ว่าเหมือนเราลืมตาขึ้นไม่ต้องทํากิจยาให้เห็นมันต้องเห็นเองมไม่ว่าจะตาบอดหรือที่ยงเงิดดิฉันภาวนาไม่ข้ามเวทนา ถ้าสำคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าไม่สําคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามอยู่นาที่นั้นเองกายก็เหมือนกันถ้าสําคัญว่ากายเป็นตนตนเป็นกายก็ข้ามกายไม่ได้ถ้าสําคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าสาคัญว่าใจเป็นตนตนเปใจมันก็ข้ามใจไม่ได้ถ้าสาคัญว่าธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมก็ข้ามธรรมไม่ได้นี่สติปัฏฐานสี่ ต้องพิจารณากายลงสู่อนัตตาพิจารณาเวทนาลงสู่อนัตตาพิจารณาจิตลงสู่อนัตตาพิจารณาธรรมลงสู่อนัตตาขันธ์ห้าก็เหมือนกันพิจารณาลูกขันธ์ลงสู่อนัตตาพิจารณานามขันธ์ลงสู่อนัตตานี่ย่นลงเป็นสองถ้าขยายออกเปห้าพิจารณาลูกลงสู่อนัตตาพิจารณาเวทนาลงสู่อนัตตาพิจารณาสัญญาลงสู่อนัตตาพิจารณาสังขารลงสู่อนัตตาพิจารณาวิญญาณลงสู่อนัตตาทั้งอดีตทั้งอนาคต live eh uh, ทั้งปัจจันด uh ้ว huh. ย <sh> <poetry> เหตุนั้นจึงว่าอนตัตตลัคนาสูตรคือสูตรที่เป็นอนัตตาได้บา้าเอาละเหนื่อยแล้วไปตาลางอุปกาปฏิอิจิ์ต่างปฏิสังทุมพังเก็บเมฆมาสมิธจตุ สภูเรนตูสังสัปปาจันโทกนโทยถาไม่โยเทระโทยถาจะพิทีโยยชนสัพพโรภวินัสจะตุมาเทระโทวนตรายโยตุกิตริชายโยโพภอภิวาทนาสีนิสันิจังวทาปยาโนจัทธาโรธรมาวัทันติอายัวโนสุขังฝรังด้วยเดชะพุทธศาสนานั้นทรงพระคุณขามันมีประมาณแล้วทรงมีอยู่ทุกการด้วยแล้วขึ้นยกพระูรู้แลไม่รู้แขึ้นอยู่พระผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วก็เหนือโลกอยู่ทุกๆทุกสมัยด้วยว่าเป็นดังนี้พเราตั้งหลายทุกต้นหน้าที่มาในที่นี้เขดีที่มาใน ต้องประสบแต่ความสุขความเจริญในบว ร, ร, บรพุทธศาสนาพระพุทธมาแล้วพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งกินไปจนถึงที่สุดทุกเราชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอปานผู้รับก็เพื่อพระเนพานปัญหาก็าไม่มากปา น, ปานเป็นเมืองขึ้นของพระเนพานหมดเป็นเมืองขึ้นของพระอรหันต์หมดเพราะพระอรหันต์ไม่มาเป็นคู่แย่งกับพวกเราทั้งหลาย เหมือนน้ำลายพระหันที่ทิ้งแล้วในโลกนี้พระท่านไม่มาเป็นคู่แย่งกับเราเมื่อท่านไม่มาเป็นคู่แย่งกับเราจะว่าน้ำลายของท่านทำไมยกตาหรเราถ่ายอุจจระออกมะแรงวันมาตอนไตยหยอดไข่ข้างแต่เราไม่ห่วงว่าจะเอามาใส่ลาไส้อีกทีนี้ทำไมจึงว่าอุจจาระเราเราทิ้งแล้วก็เรียกว่าอุจจระเราตามสมมติเพราะเราทิ้งแล้ว ไม่อะไรในอุจจาระเลยทั้งใดก็ดีพระรหัารทั้งหลายข้ามโลกไปแล้วไม่อะไรในวัตถุนิยมเลยมีแต่พวกเรานั่นเองเป็นหนอนมาแย่งกันนอนหัวล้นบ้างนอนหัวดําบ้างถูกไหมน้องนอนหัวล้นนี่หมายความว่าต่ํากว่าพระสดาวันลงมาเรียกว่านอนหัวล้น ญาติยโยมถ้าต่ำกว่าพระโสดาบันก็ียาก่าหนอนหัวดําเหมือนกันถูกไหมบาปของพระโสดาบันเป็นบาปที่จะละได้บาปต่ำกว่านั้นลงมาวนเวียนเป็นน้ําไหลวนเป็นคนไร้ใจบุญก็เป็นบุญวนเวียนเพราะเป็นบุญโลกีไม่นึกว่าจะพูดอีกก็มาพูดอีกซะ คำว่าสัพเพธรรมาอนัตตา น, นั่นก็หมายถึงพระเพปานด้วยไม่ได้หมายแต่สังขารที่เป็นทุกข์อนัตตาในทางพุทธศาสตร์นะครเป็นอนัตตาลึกซึ่งพระเนพานก็จัดเป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าว่าพาระเพปานไม่จัดเป็นอนัตตาใครเป็นเจ้าของพระเนปาลพระเนาลไปเป็นหว้ของใครก็เป็นทำอันของกลางอันไม่เกิดไม่ดับอยู่อย่างนั้น นั้นจริงว่าอนัตตาธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับชวนต่ํากว่านั้นลงมาเป็นอนัตตาธรรมฝ่ายมัจก็ดีเป็นอนัตตาธรรมฝ่ายผลก็มีเป็นอนัตตาธรรมฝ่ายโลกุตระก็มีเป็นอนัตตาธรรมฝ่ายโลกกก็มีบุญในทางพระพุทธศาสนาบัญญัติแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอนาคามี สื่อมฟ้านาคามไปแล้วไม่บัญญัติบาบุญเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อเหตุเนื้อผลไปแล้วส่วนบุญในทางโลกีบาปในทางโลกีต่ํากว่าพระโสดาบันลงมายากบาปในทางโลกียกว่าบุญในทางโลกีบาปในทางโล ก, ก, กุตรละไม่น่าที่จะละได้เป็นคิวแถวไปเลยเพราะมีคิวจะละได้แล้ว เป่นบาปพระโสดาบันบาปพระกฐาคามีบาปพระอนาคามีเป็นบาปโลกุตระมีหน้าที่กระละได้ยังเพาะออกจากเดินวนแล้วออกจากพุทุชนคนหนาแล้วข้ามโคตรของพุทธชนคนหนาไปแล้วบาปไม่ท่าใดมีหน้าที่อยู่ในเกมกรละได้ไม่ขบคืนส่วนบาปของโลกีต่ำกว่าพระโสดาบันลงมายังไม่มีคิว เพราะยังไม่ตกกระแสพระนิพพานยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารบาปทางโลกีก็หมายถึงมหาวิจีนกรกและโลกันตนรากบาปในาทางโลระก็หมายถึงบาปพระอนาคามีเท่านั้นบุญก็หมายเพียงแค่นั้นเฝ้านั้นแล้วหมาไม่ได้หมายว่าบาปบุญเพราะหนือบาปเหนือบุญไปแล้ว อันนี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะรู้ทางนั้นไปทีนี้ลุกสองข้างสามข้างเไม่จะไปเดี๋ยวเขาพูดเขาก็ไม่ไปละ <c oughs> เราเมตกรรมอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเขาเห็นพร้อมกำลมให้จะเขาออกขอ <c oughs> บเช่นที่พอแล้ว เป็กัเ่าาหมาเียน้มันยางเขาแตุกชืนนาขยอริงรักษาตัวของใครเขามันเราพูดอย่างนี้เขายิงมาก็อย่าให้ถูกเราพวกเราเรายิงไปก็อย่าให้ถูกเขาแม่จงให้เห็นโทษในการรบราฆ่าฟันกันต่างสอยกันหนีซ้ายไปซัให้นึกอย่างนั้นจะไม่ตายหรอกถ้าเอามันเอามันาะตายแท้ๆเราพูดอย่างนี้เทนี แกเหลือมาคนเดียวนอ้องมันตายหมดเจ้าอัศจรรย์ทำไรใครก่อจิตใจมันถูกกอขึ้นถ้าบาปไม่มีบุญไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหอนกันศาสนานไหนที่บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกแล้วไม่ถูกศาสนาพุทธถูกบัญญัติสิ่งที่บาปก็มาเป็นบาปจึิง สิ่งที่บุญก็เป็นบุญจริงลัทธิอื่นศาสนาอื่นบัญญัพไม่ถูกสิ่งที่เป็นบาว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปก็มีส่วนสุราเมีอะไรอย่างนี้กินเป็นระยะระยะมันไม่เมาหรอกมันไม่เป็นอะไรหรอกเขาพูดอย่างนั้นมันก็เสียทรัพย์เป็นระยะมันก็ก่อความทะเลาะวิวาทเป็นระยะเปิดโรคเป็นระยะต้องที่เตียนไม่รู้สักายทรายกลังเป็นปัญญาเป็นระยะไม่พูดสาะมันบอกว่า กินเป็นระยะไม่เป็นไรหรอกมันก็เสียเงินเป็นระยะนีะ่เสียแรงงานเป็นระยะถ้าอา๋อถ้าชาวโลกมีเสียหนาบริบูรณ์สงขาไม่มีถ้าหารก็ไม่ต้องลำ บ, บากตำรวจก็ไม่ต้องลำ บ, บาดขายของก็ไม่ต้องเฝ้าอ๋อวันไหนก็ไมต้องตั้งมากตั้งแต่เพียงภาษีอากอครคับงบประมาณก็พอแยอ่ถูกไหม นอนก็ไม่สะดุ้งผวาพระไม่มีเวรอยู่รอบข้างปืนก็ไม่ต้องมีอาวุธสตาก็ไม่ต้องมีพระ พ, พุทธศาสนาสอนชัดแล้วพวะอรรรคตบาร์ควากวนตะบาบร์ครบบันั้นจะพกของลกได้ไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่ลูกระเบิดปรมาเลยการค้าขายพระพุทธศาสนากสอนค้าขายเครื่องปะหารค้าขายมานุษย์ ค้าขายสัตว์ เ, เลี้ยนสัตเลตัวฆ่าพืเป็นอาหารค้าขายจทเบาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ชาวโรคไม่ควรประกอบเลยสรบราภ า, าษาศาสนาสออ้าพวกเขาทําอาวุธรุทธภัณฑ์เก่งกว่าพวกเราเขาสงบไหมประเทศของเราเขาก็ไม่สงบเหมือนกันถูกไหมประเทศไทยเรายังดีกว่าประเทศเขาแผ่นดินก็ไม่พังเลย ประเทศอเมริกาก็แผ่นดินพังใช่ไหมอ๋ออเมริกากับรัสเซียทําทําทําเครื่องรอบราคาคาฟันแข่งกันทีนี่ประเทศพวกเรานี่อยู่สบายเหมือนพวกเราไหมก็ไม่สบายใช่ไหมพวกเราอยากสบายกว่าเพราะผลของกรรมกรรมสองพวกท่านเรานะั้นถูกไหม ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีถ้าชาวโลกมีเสี้นทาบริบูณไม่ต้องตั้งกฎหมายมากเวรก็ต้อไม่เวรก็ลดตําแหน่งแล้วภัยก็ลดตําแหน่งแล้วพระพุทธศาสนาปลดอาวุธบ้อนกันปลดอาวุธเวรไทยไม่ให้มีเวรในภัยแต่พวกเราไม่ได้ปลดอาวุธกันเอลยพระพุทธศาสนาสอนปลดอาวุธพัฒนาวัตถุนิยมและอดรมปฎิไปในตัวด้วย อบายามุขทุกประเภทเป็นมนุษย์ิบัติไม่ใช่พัฒนาเป็นมนุษย์ิบัติก็เป็นสวรรค์ิบัติก็เป็นพรมนิบัติก็เป็นนิพพานนิบัติด้วยถ้าเวนแรกก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัตมมบิตตไปในตัวด้วยถูกไหม น, นี่ศีลมาจากอะไรก็มาจากอบายยมุขใช่ไหม ถ้าไม่มีอบายมุกเพื่อใครมีใครไว้ใจกันม่ได้ก็เพราะอบายมุกใช่ไหมี๋้วก็รอบรอบไปเล่นสาวว่าแล้วก็รอบไปเล่นเล่นบาบ้าก็เพราะไม่มไม่กเพราะลวงอบายมุกกันเองนั่นใช่ไหม <c oughs> ไม่เชื่อกันไม่เชื่อกันเพราะอะไรเพราะไม่รักษามุสาวาตใช่ไหม นั่นถ้ารักษามือสาวาทแล้วก็เชื่อกันนั่นเร่งเราวรื่องชยป้นสะรรมอยู่ก็เพราะไม่รักษาอธินาทานใช่ไหมฆ่ากันอยู่ไม่มีกรรมันกันคือก็เพราะไม่รักษาปานาจีบาทใช่ไหมเหตุ น, นั้นคำสอนของพุทธศาสนาะจึงเป็นดิงของโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัย่ง พระพุเจาองค์ไหนๆมาก็มาสอนอันเก่าจะชาวโลกตั้งก้หนไม้ก้หมู่เขพักก้อพวกมัมองดูพขาพุทศาสนาะมันก็ไปไม่รอดใช่ไห้อย่างนี้เราโกหกให้ชาวโลกอยู่ทุกวันชาวโลกไม่กําจัดอบายยมุขถ้าชาวโลกกําจัดอบายยมุขมันก็เทศกันง่ายด้วยภาษากันที่นี่ชาวโลกไม่กําจัดอบายยมุข ให้พระมาเทศแอบแอบออยู่มันก็ไม่ไหวถูกไหมเนี้ยเนี้ยนี่นี่เออเนี่ยเนี่ยสองชั่วโมงได้อยู่นี่อ๋อไมั้หมไม่อะไรไหมกรรมฐานเสยาสตร์เนี่ยโมเหแล้ว ต้องภาวนาพุทโธแล้วก็หมดเรื่องเนี่ยก็เป่าจิตเป่าใจให้ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์เตือนจิตเตือนใจให้ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ระคพอละพุทโธธโมสังโฆอยู่ที่ใจพุทโธคําเดียวก็ธรรมสังโฆก็อยู่ที่นั่นด้วยคล้ายๆก็ว่าเราเห็นหน้ากันแต่ว่าเราพูดอักษรยอไอ้ที่แจ้ก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเราปฏิกรรมพุทโธก็ธรรมสังโฆก็อยู่ด้วยกันเป็นเชือบสามเกลียวเราจำหนั้นก็ถูกเงื่อถูกกระดูกด้วยเข้าใจนะไปเสร็ ถ้าพอใเออไปจะจุกประจุ่านรดเแล้วเอาค้ามทุดจิตออกงานเอาข้อมบริสุทธิ์ออกงานก็จะเลื่อนได้หน่อยก็จะเจร่อนได้ร้ายก็จะเลื่นคันว่าเอาค้ามบริสุทธิ์ออกงานที่ได้เจริาพเจ้าจะตั้งย่บไรผล้องกลัมมันนี่เพราะกรมตาแหลมท่านดีก็ตาแหลมท่านสัวก็ตาแหลมท่านดีเอาดีมะให้ท่านสัวเอาสัวมาให้ แต่แบดก็เอาฮอนว่าหาเข้าหฮมก็เอาเย็นว่าหายไหนบอกเขาสั่งนึกไปทั้งดีฝนก็คนดีกัมานึกไปทั้งตัวทรงเสาอไปทั้งตัวฝน้องโลกตัวกัมมหาใจไม่ไปหาคนอื่นเลยรับปัญญ์นึกโกรธฝนก็ฝนก็โกรธกับมหาใจนึกเมตตาฝนก็ค่อมเมตตากับมหาใจนะชีวะบาปผมไม่บุญผมไมียังไง ผู้เห็นบุญเห็นบาปกลับมันเชมันใจเห็นนอกจากใจไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจแล้วก็มามีอะไรจะทําช่วให้ใจเหมือนกันใจไม่คนเป็นว่าหาันถ้าทำคุณถ้าทำโทษบ่อยๆก็มีโทษเป็นอนัอนต์ขว่าหาใจก็มีความช่วกับมหาใจไม่ได้ต้องเข้อข้องา่าเหมวันโกแล้วก็ะเบือนึกเมตตาผลก็ค้นเมตตาของมหาใจนึกเวียนๆผลก็ค้นเวียนๆของมหาใจอยเป็นทุกข์ใจนะ นอกจากใจว่ามิอันไหนจะทํามุกให้ตเกิดเกินว่มิอันไหนจะทัามชุกให้ตเกิดเกินใจเ้่านา้นทั่มุกทัามชุกให้ตเกิดเกินนั่นนึกสมรรถนางเสียโยให้ควรเ่าก่อนแ้วจึงทำเชียเลยดีกว่าอันไหนใครควนไร้จึงทํามเคืงมันผาดก็มีประตูแก่อันไดนว่าใครควนทั้งมันผาดจนับชือกกับลุกงั้นบหอนั่นพักวิาศาสตร์นะสอนใจนี้ว่ามันสอนได้เรื่องคนตายก็บ่าสอน แรกๆเอาหนังสืออะไรมาหายอะเป่เที่ยงตั้งไหวมันก็ยูเท่านั้นถ่าไม่ตั้งไหว้รอมหาใจขออกจจิตจออยู่นี่รมมพานี่มันจะแบบพานใส่ตั้งไหวมีมันนี้ก็เอาม้ก็จะเสียใจแล้วมันน้ไปแล้วเสียใจบ่ไมันนิ้เอาดึงม้เหรเห็นอยู่นี่รอบๆออก มีองคข่าลมีโอคออกยังสิบะเห็นตั้งมั่นเลยฉันทะพอใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักไปในกรรมฐานที่ตั้งไว้มีมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ขุนสีลอย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจสักนาบุคคลได้ถึงสิ่งที่ต้องผสมเช่นเดียวกิษย์ทัศนชาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สติได้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญาได้รู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่แห่งเดียวกันนัน่นนี่เข้าไหนนี่ขวหันขั้วนี้คั้วหันคั้วนี้เป็นไม่ร้อยหน้าวเสื้อทับแตกว่านดีทับแตกเล <im itation> ่าเสือขาดก็ว่านดีผูกติดกับรักไปนี่วขวั้วหันหัรามร้อย เสียอว่าขาดกับมากินวนยูห่าร์บกินว้นยูักมามีชื่อกันถ้าพี่กน่าร่มหายใจเขาออกก็คกิดแจ็คเจ็บตายก็มีทุกลมหายใจเขาออกพุทธธรสงก็มีทุกลมหายใจเขาออกพวกบวโบกัโกดบวลดก็มีทุกลมหายใจเขาออกขุนพ่อขุนแม่ก็มีทุกลมหายใจเขาออกเอาลมหายใจเขาออกตั้งรักไปมันกระยูทำตัวบระยูเงินอระยูซ่าตั้งรักไันวันหนึงผัดไปพี่ก็น่าอ่านอื่นห่ ต่างทับเรียกว่าทับแตกท่านวายนั่งขอน่มันอยากหอไปคื้อโมกกระลาแล้ก็บอะไรแล้วบ่บ่ใหา่สี่ย่างนี่ยังยืนเดินนั่งนอนเห็นอะไรทั้งนั้นอืมจะเป็นบ้านยง้นบ้าตัวก้อนว่าฟ้าหน้ากนเ่้าหน้าจะเป็นบ้านอย่างนี้เอ้อเ้ มันก็เป็นนาดหรกเป็นาดที่ผ้บ่าวผ้านตัวเขาเกงมัอยังผ้ามพนมันมันบันดีเลยมันเจ็มันใจเข้า่อนให้ทําดีรถเจ็บรถใจเข้าอ่อนให้ท่มดีให้ระชัวบัตรทุกค่าถาก็ไม่ได้เห็นดอกล็อกเก็ตลกเกก็ม่ได้เห็น นะว่าานพวกแขกกับบัตรเห็ <c oughs> <c oughs> Además, ุผูกย็ดถูกใจเข้าในแตงว่พุทธภาษารสุขกับบเรื่องแบแขกกับบัตรเหตุจบเขาไปเจอมถกับเจอมเจ้าของพวกเาับคหมับในบ้ันดีฮาวาชบัตรเห็ุบัตรเห เอื้นเขาเฮ็ดมาเขาเฮ็ดมากหายเลยเหลี่ยนของเขาเอาว่ามาเหลียนเท่าเน้อไส้นะไรที่เนาะฮะเขาเหลียเทาได้เห็ดดอกเขาไมเห็ดเหลียนเท่าเขาไม่เห็ดเหลี่ยนเป็นหูเขาเขาไม่เห็ดแล้วเขายืนเปยงอ้อแกเกาะแล้เกาะ โอ้ยไม่ก็ตีว่ะเยอๆนังสือสวัสดีปีใหม่ให้ซะยาปาวร์ปลาปลาดิีะทีว่ามวันน้ที่งน่านั่วีาั่ง่านั่มาที่ัเสี่ลดิบ่รัาันมุาวอา่ากรแก้ตัว ไววหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระนิยาสงทั้งหลายในตัวด้วยไม่ให้เสียเที่ยวไหว้วพระขุนนิพานด้วยพุทธธรรมสง์ไปรวมคิวที่พระนิพานพุทธแท้ทำแท้สงแท้ไปรวงคิวที่พระนิพานพุทธธรรมสง์บางต้นคือสุปฏิปันโนพุทธธรรมสง์บางปลายคือพระละหัน์ พุทธะสีจ่จำพวกคือสมาสัมพุทธะจำพวกที่หนึ่งพระเจกพุทธะจำพวกที่สองสาวกพุทธะจำพวกที่สามสาวิกาพุทธะจำพวกที่สี่นี่หมายความว่าจำพวกที่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์สีแยกออกไปอีกหมายสาวกสาวิกา ชุกเาพระตโกอนหันเตวิทโสอนหันชะภิพิญโยพระลาหันหปฏิสัมพิทัพปโตรพระลาหันหาคาเรเป็นปฏิสัมพิทาสีก็พระพาหิยะก็เป็นปฏิสัมพิทาสีภาษารีบุตรก็เหมือนกันครเป็นชุกข้ายพตโกในขั้งพุทธกายกัทหอนมาสิ ก็พระักุวา์เป็นสุขวิปัสสโกเป็นต้นทำไมจึงมีโลกีมาปนเปพระพุทธศาสนายุ่งเหยิงมากตออมาสิก็เพราะเหตุว่าเอาคำสอนของศาสนาอื่นมาปนเปนกับศาสนาพุทธก็เลยยุ่งเหยิงกันไปไม่มีขอบเขตไอ้แท้ คำสอนอรรศากยนามีแต่โลกุตระทั้งนั้นพระหมายเอาสุภิปญโนเป็นต้นผมมจันทร์ของพระพรถศากยนะต่ากว่านั้นลงมาพระองค์ไม่รับรองสันทิทธิโกเบื้องต้นคืออะไรใครเป็นผู้เห็นสันทิทธิโกเบื้องต้นก็คือสุภิปญโนเท่านั้นสันทิทธิโก เห็นเองในชั้นชุดท้ายใครคก็คือพระทหารสันทิเทศโกรพระทหารจบจิตแล้วสันทิเทศโกเบื้องต้นของพระโสดาวันเป็นสันธิเทศโกเอกเทศพ้นจากกิเลสเป็นเอกเทศสักทาคามีก็พ้นจากกิเลสเป็นเอกเทศอนาคามีก็พ้นจากกิเลสเป็นเอกเทศแต่ยังมีโมหะ นอนเนืองอยู่ในขันธะสันดานอันละเอียดที่เรียกว่าอาวิชชาอันละเอียดที่เรียกว่าตัณหาอันละเอียดที่เรียกว่าอุปาทานอันละเอียดพระพุทธศาสนามีผู้ทำลายให้เสื่อมหรือไม่ตอบในทางปรมัติ ใครจะทําลายให้พุทธศา ส, สนาเสื่อมเป็นไม่มี้เลยแต่บุคคลผู้ที่จะถึงทําอันพึงได้พึงถึงนั่นเสื่อมออกจากพระพุทธศา ส, สนาตา่างเพระพุทธศา ส, สนาหาได้เสื่อมไปทางใดไม่เพราะเหตุใดจึงว่ายอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าคําสอนในพระพุทธศา ส, สนาตรงกันพระพุทธเจ้าจะมากี่ร้านล้านก็ตามก็ตรงกันหมดผิดกันแต่สร้างบา ร, รมีน้อยและมากเป็นศรัทธาที่กัก ปัญญาทิกะวิทยาธิกะเท่านั้นไอ้ที่แท้เนื้อเรื่องคำสอนหรือธรรมะก็มีความหมายอันเดียวกันไม่ได้แกงแย่งกันเลยไม่ได้รบร่างพรบกันเลยพระพุทธศาสนามีมนุษย์สมบัติแจ็มภูมิสวรรค์สมบัติแจ็มภูมิ พรหมสมบัติเต็มภูมินิพานสมบัติเต็มภูมิหรือไม่ตอบมาให้สมฐานะที่ท่านปฏิบัติดูสิตอบว่ามีมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วมีสวรรค์สมบัติเต็มภูมิแล้วมีพรหมสมบัติเต็มภูมิแล้วมีนิพานสมบัติเต็มภูมิแล้วมนุษย์สมบัติเต็มภูมิก็คือสุปฏิปันโน มีทั้งวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยเมื่อมีอุดมคติเป็นหัวจักแล้ววัตถุนิยมก็ตามฐานะก็ดึงไปเองไฟไม่ลกุกทุกวันนี่เพราะอะไรเพราะราคัคคีนาโทสักคีนาโมหักคีนามีราคัจจ์มีโทสะจักมีโมหะจัจไม่ลดหย่อนไม่ลดตําแหน่ง มีแต่หาวัตถุนิยมมาเป็นเชื่อเพลิงวัตถุนิยมมาเป็นเชื่อเพลิงคืออะไรคือหาได้มาในทางที่ไม่ชอบมาเป็นเชื่อเพลิงมันส่วนหามาทางที่ชอบก็ยังเป็นเชื่อเพลิงอยู่แล้วหามาในทางที่มันชอบกยิ่งเป็นเชื่อเพลิงใหญ่เพลิงของราคะให้จัดขึ้นเพลิงของโทสะให้จัดขึ้นเพลิงของโมหะให้จัดขึ้นราคักีินาโทสะทคินาโมหะที่นา จะได้รับเพลิงด้วยวิธีไหนเพลิงเหล่านี้อาบายในมุกทุกประเภทระ ง, งับเพลิงบ้างชิ้นห้าบอลไดบูลระ ง, งับเพลิงแล้วไม่ถือศาสตาอื่นก็ระ ง, งับเพลิงไปอีกไม่จองเวรท่านผู้ใดก็ระ ง, งับเพลิงไปอีกแล้ว ไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตเป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษก็เป็นครองชีพอันถูกต้องแล้วการค้าขายชอบธรมแล้วมิตรธวริชาการค้าขายไม่ชอบทำเป็นเสี้ยนหนามของภูมิของปโสดาวันอาบยามุก ก็เป็นเสี้ยนนามของพระโสดาวันศินห้าไม่บริบูรณ์ก็เป็นเสี้ยนน้ำของพระโสดาวันถือศาสดาอื่นก็เป็นเสี้ยนน้ำของพระโสดาวันพระโสดาวันไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีด้วยไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยโรดอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรมึงเถอะ กูไม่ได้มึงท่านนั้นกูจะเอามึงท่านนี่ไม่มีในพระโสดาบันเลยอาคาดจองเวรถูกใจเก็บองค์ท่านไม่มีจะเดินจงกรมภาวนาอดอาหารจนจนคุมผมคุ้มขนหล่นก็ตามจะนั่งภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่าก็ตามถ้ายังเสียดายอยากจะถือศาสตาอื่นถ้ายังเสียดายอยากจะร่งละเมิดศีลห้า ถ้ายัางเสียดาอยากจะล่วงอบายนุมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันมันก็เป็นพระโสดันโสดาโสดคาดคณีใช่หรือไม่ริงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้น จ, จะพิจารณาทั้งนั้น สุภเดชมโนไม่ไว้ใจในวัฏสงสารให้ทานรักษ า, ษาศียนภาวนาหรือปฏิบัติก็เพื่อคนทุกข์เท่านั้นไม่ได้หวังเพื่อญาบราบยศกันและเสริญสุขอันใดเลยเพราะปัญหาไม่มีมากแลย้ยปัญหาน้อยเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารอยากก่างเั็มที่พระเห็นอ น, นิจจังเป็นหลักของวิปัสสนาธุระเห็นอ น, นิจจังขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว โลกเต็มไปด้วยอันหนักจังเห็นพร้อมกำลมหายใจเข้าออกด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการเห็นพร้อมกับคําพูดด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการพูดขึ้นแล้วก็ร่วงไปร่วงไปร่วงไปก็คือวจีสังขารก็คือจิตตสังขารอีกด้วยก็คือกายสังขารอีกด้วยคําพูดแต่ละวัตระบาดก็ร่วงไปร่วงไปร่วงไป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 ก็พระนรพาลเท่านั้นเป็นผู้รู้พระนรพา น, พนสังขารไว้เป็นหน้าที่จะไปอานเอื้อมใครเป็นผู้เสวยพระนรพา น, พนก็พระนรพาลเท่านั้นเสวยพระนรพานพระนรพา น, พนมีสี่ท่านเจ้าพระพิศดารพระโสดาบันเ น, นิพาลเป็นเอกเทศคือมีนิมุติเป็นเอกเทศ สัคตาคามีก็เป็นเอกเทศพระอนาคามีก็เป็นเอกเทศพระนัหันบริบูรณ์ในพระนิพานสาอุปาทิเสสนิพานแต่ท่านบรรยายท่านบัญญัตพระนิพลเป็นสองสาวุปาทิเสตานิพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์หรืออนุปาทิเสตานิพานดับกิเลสแล้วเบญจขันธ์ก็วิพานไปนะั่งเทนั่นเองดับทั้ง กิเลสทั้งเป็นจะขันส่วนกิเลสดับก่อนแล้วเรียกว่าสะอุปาจะเสสชนะภ า, ภาแต่ยังไม่สิ้นลมปานเมื่อสิ้นลมปานแล้วก็เรียกว่าดับบรรเป็นจะขันเรียกว่าพระนิพพานสงไปพระนิพพานจะไปทางไหนไปทางอถังคิกามาค้าแปดย่นลงมาเป็นสามไตรสิกขามีชี้สมาธิปัญญาสัมพยุ ด, ด้วย อดีตคืออะไรอดีตคืออนิจจังที่ล่วงไปแล้วหรือตรลักษณ์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือตรลักษณ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือตรลักษณ์ที่กําลังเป็นอยู่ใครเป็นเจ้าของไต ร, รักษณ์ไม่มีเลยใครเป็นเจ้าของสังขารไม่มีเลยเป็นภาพตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้น เกิดเร็วดับเร็วหาระหว่างไม่ได้สังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขาร น, นั้นก็ได้ดับในอดีตคําพูดไหนที่พูดมาก่อนคํานั่นก็ดับไปก่อนแล้วคําพูดคําไหนที่ยังไม่พูดคํานั่นก็ยังไม่ดับคําในที่พูดอยู่ในปัจจุบันคํานั่นก็ล่วงไปดับไปในปัจจุบันอยู่นณที่นี้เอง จงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดท้นจากความหลงตามเป็นจริงซักพระบรมศาสราก็คือธุระทางปัญญาจึงเรียกว่าวิปัสสนาธุระมีปัญญาเป็นหัวหน้าทุกหมวดศีลนห้าก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าคนไม่มีปัญญาก็รักษาศี้นห้าไม่คุ้ม สิแปดิ่สองรอยี่สิบเจก็เหมือนกันพระโสดาบันเป็นไตรที่ขาเบื้องต้นเป็นศีลสมาธิปัญญาโลกุตระเบื้องต้นพระอรหันต์เป็นมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญาเบื้องปลายแล้วปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันของสักทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามี ปัจจุบันของพระอรหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันของพระปัจเจกปัจจุบันของพระสมัยสัพพุทธเจ้าเป็นสั้นที่หนึง่งเพราะมียานชัมยุทธเร็วต่างกันหรือกว้างขวางและนหนักหนากว่ากันตำกว่านั้นลงมาไม่รับรอง พเมจันเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาพระบรมศาสต ร, รา ย, ยืนยันพระโสดาบันเท่า น, นั้นโยมที่ถึงพระโสดาบันสามนเณรพิกษุหรือคนใดๆก็ตามตระกูลต่ำตระกูลสูงก็ตามเมื่อถึงพระโสดาบันนั่นคือสุขเดชปัญโนเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาะเมื่อนิยมชั้นวันลนะนิยมแต่ธรรมะเท่านั้นธรรมะของพระพุทธศาสนาะเมื่นิยมชั้นวันลนะ ใค่เอาไปใช่ถูกทั้งนั้นพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของผู้อื่นแล้วสอนให้ท่านผู้อื่นกระพืติตามด้วยแพระเจ้ารูกนี้รู้ชอบพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยคำว่ า, าสันติกิโกและสวัขาตธรรมก็หมายถึงพระโสดาวันเป็นต้นไป คมอาจารย์เรื้องต้นของพุทธศาสนาะมหาปริิพานสูตรสุปทะประกาศทูลพระบรมศาสลาว่านักที่อื่นศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทยันยะวิธีของเขาเขาจะถึงสุพจนิปโนโชโยยยะสามีจิตบ้างหรือไม่พระเจ้าค้าอย่าเลยอย่าเลย เราพูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทําถึงสุปฏิปโ น, โนแต่สุปฏิ ป, โ น, ป โ, นโนก็ไม่ถึงเลยจะให้อุชุชยายะสามีมาจากประตูใดล่างอรุณมาตระแม่ตัวของเขาก็ปัตตุชนคนหนาเราดีนี่เหัวหน้าเขาเขาจะได้สุปฏิปโ น, โนชุชยายะมาจากประตูใดก็มีแต่วัตถุนิยมเป็นบางข้างบางข่าวเท่านั้นแต่บัญญัติวัตถุนิยมก็ยังไม่ถูกอีกเสียด้วย จะเอาเสื้อไ ป, ประโนโน่ปโอชุกยายะกมาจากประตูใดเล่าเจ้าของเขาก็พุทธชนคนไหนเราดีๆนี่เองแล้วไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมมาทิ่ปไต่เขาเปชายธรรมดาเธอย่าไปสงสัยเลยเธออย่าไปสงสัยเลยว่าให้สุภัทผู้บวชต่อแก่สำเร็จพระอรหันในวันนั้นเตชาติก่อนเคยได้เป็นพี่เป็นห้องกับโกนธัญยะ เคยได้เป็นพี่ชายของโกนธัญญะโกนธัญญะชวนให้ทานพี่ชายกูยังมาให้ทานดอกเ อ, อข้าวกูก็เต็มไร่เต็มนายอยู่มึงก็ให้ทานข้าวเก้าข้างมึงก็ให้ซะตอนข้าวพอเป็นลูกเดือยหรือพอเป็นนมหรือพอเป็นข้าวเม่าหรือพอเป็นข้าวฟอดทานถึงเก้าข้างจนถึง เอาเข้าขึ้นย้ายุา่งขึ้นฉางแต่กูจะเอาเข้าขึ้นยุ่งขึ้นฉางกูจังจะทานมึงทานก่อนมึงก็ทานซะพอมาเกิดศาสนาของพระสมัยสังทธเจ้าน้องชายก็ได้เป็นพระรหันต์ก่อนคือพระโกนทัญยะส่วนตนเป็นพี่ชายเขาก็ได้สําเร็จพระรหันต์ที่หลังเขา พัชชิมโอวะที่พระองค์จะเข้าสู่พระ涅ปันเนี่วันนั้นการทานการทานก่อนทานหลังมันมีอา น, นิสงส์มากสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะรู้จักทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็อาจจะสงสัยในเวลาสร้างบารมีพูดจะสูงลงมาหาต่ำพูดแต่ต่ำลงไปหาสูงสลับกันอยู่อย่างนี้เนี่ย พูดมา ก, ก็มากออกมาจากใจพูดย่นก็ย่นลงมาหาใจอดีตคืออะไรพูดสูงเฉยนี่อดีตคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วพูดสูงใช่นี่อ น, นาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่ยังจะมาถึงปัจจุบันคืออะไรคือ ผ, ผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่อยู่เดียวนี่ ผู้รูทั้งอดีตก็ดีผู้รู้ทั้งอนาคตก็ดีผู้รู้ทั้งปัจจุบันก็ดีก็เป็นแต่สักว่ารู้เท่านั้นเนอ อ, อย่าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลทําชั้นสูงอะไรผู้รู้ของพระโซดามันผู้รู้ของสักทาคามีผู้รูของพระอนาคามีผู้รู้ของพระอรหันต จะมาเทียบเสมอกันไม่ได้ปัจจุบันก็เหมือนกันพราพุทธศาสนามีมนุษย์สมบัติเต็มภูมิผู้ต่ำเลยมีสวรรค์สมบัติเต็มภูมิมีพรมสมบัติเต็มภูมิไปในตัวแลว้วแต่ชาวโลกมักขี้โอ้ไม่มองดูพระพุทธศาสนาเลยถือว่าพระพุทธศาสนาขาครึก พระขบพระพุทธศาสนาไม่แตกพระพุทธศาสนาบัญญัติบาปุลคุณโทษถูกเพราะพระสมานพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเกลเล็ตไม่ได้บัญญัติเท่าข้างตัวไม่บญญัก็ต้องบัญญัติตามเป็นจริงของธรรม ผู้ใดอยู่ในระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นแมแงผู้มันก็บอกว่าประชาธิปไตยของข้าพเจ้าแมลงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าประชาชนของข้าพเจ้าชอบเกสรดอกไม้เมลงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของข้าพเจ้าใครอยู่ระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นก็ถูกของใครของมัน ไม่มันไม่ใช่ไม่ถูกมันก็ถูกของใครของมันใครอยู่ระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นในโลกพระพุทธโลกในปัจจุบันนี่มีผู้เป็นปาราชิกหมดพระพุทธศาสนาจะยังอยู่หรือไม่ก็ยังอยู่แต่ไม่มีผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาก็มาสั่งสอนอันเดียวกันจะมาร้อยโกรธก็ตาม จะมามากกว่าไม่เห็นไม่ไทรสร้างมาหาสมุดก็ตามพระพุทธเจ้ามาสอนอย่างไรทำเป็นโล ก, กบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่าเพรามละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้พระพุทธเจ้ามาสอนอย่างนี้ใครเป็นผู้บาปบรรญัติบาปบนคนโทษถูกก็พัฒนาพระรพุทธเจ้าเท่านั้นบรรญัติถูกผู้อื่นอย่ามาเอ่ยเลย ร่างเขาสือสารกาอื่นผู้สือสารกัอื่นคือเขาฟังไม่ถนัดเลนเขาชืเ้เชื่อลันี่กระเทือนของเขาถ้าคนทำดีไปกระเทือนต่อผู้ทำชัว่วผู้คนดีก็สืบสลายสายส า, สาไปไม่ได้ใช่ไหม แมลงผู้แมลงพึ่งกินเจสรดอกไม้มันก็ว่ามันถูกอยู่แต่แมลงวันมันก็ว่ามันถูกอยู่แมลงวีมันก็ว่ามันถูกเหมือนกันปลาว่ายในน้ามันก็ว่ามันถูกเหมือนกันแต่ความถูกนั้นมันไปจบอยู่ที่พระเจ้าถ้าพระเจ้าเข้มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวสั้นใด คำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกน้ามห้ยน้องคลองบึงบางต่างๆไห่ลงสู่มหาสมุทรเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ไรลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อ เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอะไความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทําได้ยากมันมีมาแต่ดึกดําวันเหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายมันสกปรกการปฏิเสธอาบน้ําก็ไม่ได้ พอประทางมาทางไปถ้าว่าจิตใจของเรามีโรคมีโกรธมีหลงอยู่การปฏิเสธเพื่อจะบรรเทาให้โรคโกรธหลงยดหย่อนผ่อนลงหรือหายไปไม่เกิดมาไม่คืนมาก็ปฏิเสธไม่ได้เองเหมือนกันถ้าเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์อยู่โรคโกรธหลงเป็นทุกข์อยู่การปฏิบัติเพื่อไม่ให้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมามีโรคมีโกรธมีหลงก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกัน กามั่วไตกความตริตในทางการไม่มีในท่านผู้ใดพยาบาทไม่ตกความตริตในทางพยาบาทของท่านผู้ใดไม่มีวิหิงสามิตกความตริตในทางเวียนเบียนของท่านผู้ใดไม่นีท่านผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วพระอนาคามีไม่มีกามั่วไม่ตกไม่มีพยาบาทไม่ตกไม่มีวิหิงสามิตก เพราะความเบียดเบียนของท่านไม่มีใครจะถึงพูดถึงก็พูดไร้ได้พูดรู้เท่านั้นเพราะไม่เป็นหน้าที่จะหาพักหาเสียงเพราะพระธรรมเป็นสันติที่โกให้เห็นเองส่วนพระรหานั้ไม่เป็นอย่างนั้น ท่านไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดใดทั้งสิ้นไม่ยึดอันใดใดมาเป็นหลักทั้งสิ้นเมื่อท่านไม่รักษาจิตท่านเมื่อพระทหารไม่รักษาจิตท่านท่านก็ไม่ลำบากกับจิตแต่พวกที่ยังไม่พ้นไม่รักษามันก็ผิดจริงๆส่วนพระทหารไม่ได้รักษาจิตท่านเพราะจิตท่านไม่มีโรคโกรธหลงท่านจะรักษาทำไม แต่พวกที่ยังไม่พ้นไม่รักษามันก็ผิดจริงๆถ้าพระอรหันต์รักษาจิตอยู่พระอรหันต์ก็หนักใจเหมือนคนคุมนักโทษเพราะเกรงว่านักโทษจะทำอันตรายตนด้วยเกรงว่านักโทษจะรักหนี้ด้วยเหตุนั้นพระอรหันต์จึงไม่ได้รักษาจิตของท่านพระท่านไมายึดถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตมีในตนตนมีในจิต ผู้รู้มีในตนตนมีในผู้ใูรู้แล้วท่านจะรักษาทําไมเพราะท่านเกรงว่ามันจะหายไปไหนมันไม่หายจิตก็เป็นจิตตามเดิมผู้รู้ก็เป็นผู้รู้ตามเดิมสมมติก็เป็นสมมติตามเดิมไม่สําคัญตัวอยู่ในสมมตินอกสมมติเมื่อในสําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆแล้วท่านจะรักษาทําไมโรคกรธหลงของท่านก็ไม่มีเพราะท่านไม่กลัวแพ้กลัวชนะ มีท่านผู้คนไปแล้วแผนที่เป็นอย่างนั้นเดินทางไม่มีแผนที่หลงตายพวกขึ้นเครื่องบินก็เหมือนกันถ้าไม่มีแผนที่หลงตายหลงเทศ ต, ตายแล้ววนในทะเลนมนต์อันตกตายพวกลูกเกิดดับเป็นไหม ผู้รู้ยิ่งเกิดดับเร็วนักเกิดเร็วดับเร็วกันกันผู้รู้เป็นสังขารหรือไม่เป็นสังขารอันละเอียดละเอียดกว่าวิญญาณขันถึงอย่างนั้นพระบรมศรราสดาก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเราเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ในโลกล้วนอเนกจังได้ในโลกล้วนทุกขงัง ในในโลกวัอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งวัฏบันด้วยสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่สกามาพัสดะหกชั้นพระมโลคได้แก่รูปรพมิจฉหกชั้นและอรุปรพมิสี่ชั้น โลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสองอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่มันมีใจครองสังขารที่มีใจครองด้วยม่มีใจครองนี้มีภาพพจนเป็นสองคือเกิดขึ้นแล้วมีภาพพจนเป็นสองคือเกิดขึ้นดับไป ถ้าจะว่าด้านต้นนะท่านไปถ้าจะว่ า, ากลางด้วยนี่เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนะดับไปทิ้งซา ก, กาเกิดขึ้นแล้วระดับไปยิริยาที่เกิดขึ้นดับไปนะผลลัพธ์คืออะไรก็คือทุกเราดีๆนี่เองจิงใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นเป็นทุกจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา เธอจงรู้ตามเป็นจริงเถิดจงปฏิบัติตามเป็นจริงเถิดจงลดพ้นตามเป็นจริงเถิดจงข้ามทะเลหลงส่วนนี้ไปสักถ้าหากว่าปัญญาของเธอเหนือความหลงของเธอแล้วเธอก็จะข้ามทะเลหลงไปสั่วรัษหนึ่งเมือเดียวพระบรมศาสาสอนไปหมดสิ่งไหนพระบรมศาสตราไม่สอนม่ไีเลย ยังยืนยันว่าสัตถังสัพยันชนะนเจวะละปฏิบุลนังปฏิสุดทางพม่าจักยังประกาศเสสิปฏิสุดแล้วบริบู์แล้วทั้งอัฐะทั้งพยันชนะด้วยตามาหังปะขวันตังอาิภูษิยามีถังมิตามาหังปะขวันตังศีลสารมาวิจิ้งยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้ด้วยความโง่ๆสิงไหนที่พระบรมศาสดาไม่ได้สั่งสอนไม่มีเลย จรงบรรดาว่าชะปัญญาติอยู่ฉะก็แปลว่าหกตาหงษ์จากหกลิ้นกายกาขันธ์ท่ปัญญัติขันห้ากายกับกายเปลี่ยนเป็นห้ากองรูปเทศนาสัญญาสังขารเวียญาณะชีละขันสมาธิขันปัญญาขันนีวติญาณอัตตนาขันนี่ก็บัญญัติแล้วขันห้าสามเอาขันห้ามีห้าขันทะปัญญัติอายตนาปัญญาติ อะไรก็แ้วภายในภายนอกคือตาหัวจมูกริมกายใจก็บัญญัติแล้วสัจจะปัญญติทุกสมุทัยนิโรธวักก็บัญญัติแล้วอินทนิยะปัญญติอินซีหกก็บัญญัติแล้วจักขุนซีโสตินคานินซีหินกายเย็นม่านินอิทธิ์ปุริสีวิตินอินซียี่ิบสองก็บัญญัติแล้ว